วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิธันวาคมพุทธศักราช2 5งพห้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบาิษัตผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่จิตใจคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทมที่จะมาเสนอท่านหรือแสดงให้ท่านได้ยินได้ฟังกันในวันนี้มีหัวข้อว่าประโยชน์ของการฟังธรรม การฟังธรรมนี้มีประโยชน์อยู่หลายประการด้วยกันคือมีอยู่ห้หประการด้วยกันประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังธรรมคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ถ้าธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ําขึ้นมาอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสจะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้สจะทำให้เกิดปัญญาหรือสัมมาทิฐิความเห็นที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงและหจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุข อันนี้คืออา น, นิสงส์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังธรรมในการที่จะได้รับประโยชน์นี้การฟังธรรมก็ต้องมีหลักการที่ถูกต้องหลักการที่ถูกต้องในการฟังธรรมนี้ก็คือต้องฟังด้วยกายวาจาและใจที่สงบถึงจะได้รับประโยชน์ ถ้าฟังแบบกายวาจาใจไม่สงบประโยชน์ก็จะไม่ได้รับอย่างเต็มที่อาจจะได้รับบ้างบางส่วนแต่จะไม่ได้รับอย่างสมบูรณ์ดังนั้นถ้าอยากจะรับประโยชน์ของการฟังธรรมได้ครบบริบูรณ์ควรจะนั่งฟังด้วยอาการที่สงบ สงบกายสงบวาจาและสงบใจสงบกายก็หมายถึงให้นั่งฟังเฉยๆไม่ให้ทำอะไรไม่ให้ทำภารกิจอย่างอื่นในขณะที่กำลังฟังธรรมเช่นในขณะนี้ญาติโยมที่มาฟังธรรมนี้ก็จะนั่งเฉยๆเรียกว่าสงบกายไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการเดินไปเดินมาไม่มีการทำอะไรต่างๆเรียกว่าสงบกายข้อที่สองสงบวาจาคือนั่งเยียบเียไม่พูดไม่คุยกันไม่สนทนากันนั่งเฉยๆไม่พูดคุยกันกับเรื่องราวต่างๆแม้อาทั่งการทักทายกันก็ไม่ต้องทำ ในขณะที่ฟังธรรมแะข้อที่สามสงบใจก็คือใจต้องหยุดคิดใจต้องไม่คิดไปคิดเรื่องราวต่างๆใจให้มีสติจดจอ่ออยู่กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้ให้ฟังเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หู แล้วก็เข้ามาที่ใจถ้าเราจะพิจารณาตามก็จะก็จะได้ปัญญาถ้าเราฟังเฉยๆเราก็จะได้ความสงบ น, นี่คือวิธีการหลักการของการฟังธรรมที่ถูกต้องแล้วประโยชน์ของการฟังธรรมก็จะเกิดขึ้นมาตามลําดับเช่นข้อที่หนึ่ง จะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะโดยปกติแล้วธรรมนี้จะฟังได้หรือจะศึกษาได้ก็ต้องเมื่อมาอยู่ที่วัดหรือเปิดหนังสือธรรมะอ่านกันถึงจะสามารถเรียนรู้เรื่องธรรมะได้ปกติทางโลกนี้เขาจะไม่มีเรื่องธรรมเอามาเผยแผ่ ทางโลกเขาก็จะเผยแผ่เรื่องข่าวสารเรื่องธุรกิจเรื่องดินฟ้าอากาศต่างๆเป็นต้นเรื่องธรรมานี้ <c oughs> จะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเลยแต่เวลามาฟังธรรมนี้ <c oughs> ก็จะมีแต่เรื่องธรรมะให้ฟังธรรมะที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน พอเราได้ฟังเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเช่นธรรมที่เราจะได้ยินเวลาเราฟังธรรมกันก็มักจะเป็นเรื่องของกฎแหงรร่กแหงกรรมกฎแห่งกรรมคือการทาดีได้ดีการทาบุญได้สวรรค์การทาบาปได้อบาย ได้ไปนรกอันนี้เรื่องของกฎแห่งกรรมผู้ที่รับผลของบุญของบาปผู้ที่เป็นผู้กระทำบุญและบาป ก, ก็คือจิตใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของการกระทำบุญของการกระทำบาปร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้รับผล ของการทำบุญทำบาปโดยตรงผู้ที่จะรับผลคือผู้ที่กระทำก็คือใจใจกระทำผ่านทางร่างกายสั่งให้ร่างกายกระทำสั่งให้ร่างกายพูดแล้วผู้ที่จะรับผลก็คือใจผลที่จะได้รับก็มีหลายวาละด้วยกัน ว่า แ, แรกก็คือเวลาทําบุญหรือทําความดีแล้วใจจะมีความสุขความสุขใจขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าทําไม่ดีทําบาปใจก็จะเกิดความทุกข์ร้อนใจขึ้นมาเกิดความหวาดกลัวต่อผลที่จะตามมาต่อไปอันนี้จะเกิดขึ้นทันที ในขณะที่ทำความดีหรือทำความชั่วทำบุญหรือทำบาปส่วนร่างกายนี้จะไม่ได้รับอนิสงส์อะไรเลยร่างกายก็เฉยๆเหมือนเดิมร่างกายก็ยังเป็นร่างกายเป็นปกติแต่ผู้ที่ทุกข์รู้สุกนี้ก็คือใจร่างกายไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไปกับการกระทำบุญหรือทำบาปของใจ นี่คือผลเบื้องต้นที่จะได้รับและหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจนี้แหละผู้ที่จะไปรับผลบุญคือไปสวรรค์หรือไปรับผลบาปคือไปเกิดในอบายไปเป็นดวงวิญญาณเช่นเป็นเปรตเป็นอสูรกายไปนรกหรือถ้าได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์ในราฉานเป็นต้น นี่คือเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าเราไม่ศึกษาไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็อาจจะสงสัยว่าใครเป็นคนรับผลบุญผลบาปใครเป็นคนไปสวรรค์ไปนรกเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นได้ก็เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเองเราเห็นเครื่องเดียวของตัวของพวกเราตัวของพวกเรานี้มีทั้งร่างกายและมีทั้งใจ และผู้ที่ใช้ให้ร่างกายทำบุญหรือทำบาปนี้ก็คือใจแต่เป็นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายเราเพียงเราเห็นเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเองเราก็อาจจะคิดว่าตายแล้วศูนคือไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปไม่มีใครไปสวรรค์ไปนรก สวรรค์นรกอยู่ที่ไหนก็มองไม่เห็นหาไม่เจอ <c oughs> เพราะว่าสวรรค์นรกมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้มันอยู่ในโลกทิพย์น่าใจผู้สั่งให้ร่างกายทําบุญหรือทำบาป ก, ก็อยู่ในโลกทิพย์เช่นเดียวกัน <c oughs> ใจนี่แหละผู้ที่จะรับผลบุญผลบาตรรับไปสวรรค์ไปนรก เพราะใจนี้อยู่ในโลกทิพย์และสวรรค์และนรกนี้ก็อยู่ในโลกทิพย์เช่นเดียวกันเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเราก็จะได้ยินเรื่องเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของใจใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วใจยังอยู่ต่อไป แล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปในสวรรค์หรือในอบายพอผลบุญผลบาปหมดแล้วก็กลับมาได้ร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เกิดกลับมาทําบุญทําบาปแบบแบบเดิมอีกก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็การมาเกิดการมีร่างกายก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆของร่างกาย เพราะร่างกายนี้เป็นของไม่เทีย่ยวเป็นของที่เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามลำดับดาบใดถ้ายังมีการมาเกิดอยู่ดาบนั้นก็ยังต้องมาเสวยมารับผลของความทุกข์ของทางร่างกายอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องรอให้มีพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุทธเจ้า มาสอนวิธีหยุดการเกิดเท่านั้นถึงจะสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้อ น, นี่ก็คือน้องทำต่างๆที่เราจะได้ยินได้ฟังเวลาที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วถ้าเป็นธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังก่อนมาก่อนพอเราได้ฟังอยู่เรื่อยๆความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมก็ดี ในเรื่องนรกในเรื่องสวรรค์ก็ดีในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดก็ดีในเรื่องของการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็ดีก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นไปตามลำดับนี่เป็นนะประโยชน์ข้อที่สองฟังธรรมถึงแม้จะฟังซ้ำอยู่เรื่องฟังเรื่องเดียวกันนี้แต่ฟังแต่ละครั้งนี้จะเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากกว่ากันขึ้นไปตามลาดับ จะทำให้ได้ได้ประโยชน์ข้อที่สามคือจะไม่สงสัยในธรรมต่างๆตอนหน้านี้ตอนที่เราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมเราได้ยินเขาพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เราก็คิดว่าเป็นเรื่องเพอร์เจเรื่องบุญเรื่องบาปใครเป็นผู้ไวรับผลบุญผลบาปกัน พอเห็นคนทำบาปนี้กลับได้ดิบได้ดีมีต้องมากมายทำบาปแล้วกลับได้ล่ำได้รวยได้ยศได้ตำแหน่งได้เงินได้ทองไปซื้อความสุขต่างๆส่วนคนทำความดีกลับไม่ได้ดิบไม่ได้ดีเลยก็มีมันก็จะทำให้เราสงสัยว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นจริงหรือไม่หรืออาจจะเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่งขึ้นมาหลอกให้คนทำความดีกันเท่านั้นเองแต่ความจริงมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่เราต้องศึกษาเราถึงจะเข้าใจเรื่องผลของบุญของบาปนี้โดยหลักใหญ่มันเกิดกับใจไม่ได้เกิดกับร่างกายส่วนเรื่องของความเจริญเรือความเสื่อมของทางร่างกายนี้และเรื่องของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทางทองเรื่องของลาบยศสารเสริญสุ ที่ร่างกายสามารถที่จะไปสัมผัสรับรู้ได้นี้มันเป็นเรื่องของกฎของตายรับกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะรวยหรือจ ะ, จะดีหรือจะชั่วก็จะได้สัมผัสกับการเจริญของลาบยศสารเสญสุขและสัมผัสกับความเสื่อมของการ เาลาบยศสารเสวนสุขเหมือนๆกันงแต่อาจจะต่างวาระกันวันนี้คนนี้เขารับผลเขาได้ได้เจริญในรากยศสารเสริญสุขอีกคนหนึ่งวันนี้เขากลับได้ความเสื่อมของรากยศสารเสริญสุข mm hmm. เพราะนี่เป็นเรื่องของตายรัก mm hmm. เรื่องของอ น, นิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอน mm hmm. ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้หนึ่งได้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เวลานี้เราอาจจะเจริญในราบยศสรรเสริญสุขแต่อีกคนหนึ่งเขาอาจจะเสื่อมในลาบยศสรรเสริญสุขก็ได้วันนี้อาจจะมีคนไปแต่งงานกันมีความสุขกันแล้วก็วันนี้ก็อาจจะมีคนต้องไปงานศพกันเพราะนี่คือเรื่องของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาโรื่องของร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยง มีเจริญมีเสือ่อมมีเกิดมีดับเป็นธรรมดามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการทำบุญทำบาปทำบุญทำบาปนี้มันเกี่ยวกับจิตใจผลของบุญของบาปก็อยู่ที่ใจที่เกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาและใจผู้ที่จะต้องไปเกิดในอบายหรือไปในสวรรค์ต่อไป แล้วก็ต้องไปเวียนไหว้ตายเกิดต่อไปเรื่อยๆเรื่องราวเหล่านี้ต้องศึกษาต้องฟังเทศบ่อยๆถึงจะเข้าใจตามตามลําดับขึ้นไปไม่ใช่เป็นของที่เราจะสามารถที่จะเข้าใจได้แบบทันทีทันใดและอาจจะต้องอาศัยการพิสูจน์เรื่องราวเหล่านี้ด้วยเพราะว่าการฟังการศึกษาเพีงอย่างเดียวนี้ ยังไม่เข้าถึงสภาพความเป็นจริงของใจของสวรรค์ของนรกว่าเป็นอย่างไรต้องมีการปฏิบัติที่เรียกว่าการปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยการสนับสนุนของการทาบุญทาทานและรักษาศีลคือการทาทานศีลภาวนาถึงจะค่อยๆเข้าไปถึงสัจธรรมความจริงของสิ่งต่างๆของธรรมต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งนำเอามาสั่งออามาสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรา <Yeah. S 2> แต่ไม่ช้าก็เร็วเมื่อเราได้ศึกษาและเราได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆตามคำสั่งคำสอน <Yeah. S 2> ความสงสัยในเรื่องราวในธรรมต่างๆก็จะค่อยๆหมดไป <Yeah. S 2> แล้วกามมีความเห็นที่ถูกต้อง <Yeah. S 2> ก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมา <Yeah. S 2> เห็นว่าในรลกมีจริงสวรรค์มีจริง ทำบุญแล้วไปสวรรค์ทำบาปแล้วไปนรกถ้ายังมีกิเลสตัณหาครอบงําอยู่ในจิตใจก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าสามารถกาจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็จะสามารถเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ตามลำดับความเห็นอย่างนี้นจะค่อยๆปรากฏตามการศึกษาและตามการปฏิบัติน อ น, นี่คืออา น, นิสงส์ข้อที่สี่จะมีความเห็นที่ถูกต้องจะไม่สงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมแจะเชื่อกฎแห่งกรรมถ้าได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนี้อาาริยบุคคลทุกขั้นนี้จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดเพราะเห็นผลของการทําบาปที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของตนเอ ง, ท, งทันทีไม่ลังเลไม่สงสยัยว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไร บาปเป็นโทษบุญเป็นประโยชน์ก็จะทำแต่บุญบาปจะไม่ทำแล้วก็เห็นโทษของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาความโลภความอยากต่างๆที่เป็นตัวพาให้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดต้องพาให้มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่อยู่เป็นเวลาอันยาวนานก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าทำตามว่าทำคําคสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ทําทานให้รักษาศีลให้ภาวนากัน mm hmm. แล้วเวลาฟังธรรมจิตใจก็ไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็ไม่ฟุ้งซ่านฟังธรรม ท, ที่ฟังก็เป็นธรรมที่าก่อมใจให้นิ่งให้สงบให้เย็นใ ห, ใ ห, ให้สบาย mm hmm. ถ้า mm hmm. มีจิตใจจดจ่ออยู่กับการฟังธรรม ก็จะได้ความสงบถ้าไม่ได้พิจารณาตามหรือฟังแล้วยังพิจารณาไม่เข้าใจก็ฟังเฉยๆไปฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆเสียงธรรมนี้ก็จะกล่อมให้ใจนิ่งให้ใจสงบมีความสุขได้ถ้าพิจารณาตามได้ก็จะทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิไดความเห็นที่ถูกต้องตามมาได้ในขณะที่ฟังธรรมจึงไม่ควรที่จะ พิจารณาอะไรนอกจากทมที่เรากำลังได้ยินได้ฟังอยู่หรือไม่ควรที่จะใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไม่จำเป็นจะต้องดูลมหายใจเข้าออกไม่จำเป็นจะต้องบริกรรมพุทธโธพุทธโธใช้เสียงธรรมนี้เป็นอารมณ์แทนเสียงธรรมนี้เป็นอารมณ์แทนการบริกรรมพุทธโธได้เป็นอารมณ์แทนการดูลมหายใจเข้าออกได้ ไม่จาเป็นที่จะต้องพูดโทไปกับการฟังธรรมไม่ต้องดูลมหายใจไปกับการฟังธรรมก็ได้แล้วประโยชน์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่น อ, น, อนนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับทุกครั้งที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันนอกจากประโยชน์เหล่านี้แล้วมันยังทำให้เราเกิดมีศรัทธาความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับ เพราะว่าเรามีความมั่นใจว่าสิ่งตา่ตางๆที่พระเจ้าได้ทรงสั่งทรงสอนนี้เป็นความจริงทั้งนั้นเป็นสวากขาโตภะกวตาธรรมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงทำบุญแล้วต้องไปรับผลบุญไปสวรรค์ไปรับความสุข ทำบาปแล้วก็ต้องไปอบายไปรับความทุกข์ต่างๆถ้ายังมีกิเลสอยู่ภายในหัวใจอยู่ก็กิเลสก็จะพาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยๆมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยๆ mm. ก็จะไม่สงสัยจะมีศรัทธามีความเชื่อมัน่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างคำักคำมณน อย่างด้วยวิริยะพอมีศรัทธาแล้ววิริยะคือความเพียรก็จะตามมาอย่างอย่างง่ายได้ก็อย่าอยาขยันทาบุญอยะาขยันรักษาศีลไม่ลักไ ม, ไม่ไม่ทำบาปจะขยันภาวนาอย่าฝึกจิตฝึกใจให้นิ่งให้สงบแล้วก็สอนจิตสอนใจให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นอริยสัจสี่ ให้เห็นตายรักเห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งปวงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนถาวรมีเกิดแล้วก็จะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันไม่ดับใจ ก, ก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่สามารถได้ตามความอยากนั่นเอง ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงเช่นยอมรับว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันร่างกายของทุกคนตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาถึงขอทานข้างถ น, นนนี้เหมือนกันมีอาการสามสิบสองเหมือนกันทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกัน ไม่มีตัวตนในร่างกายผู้ที่มาใช้ร่างกายคือจิตนี้ไม่ได้เป็นร่างกายจิตนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตนี้อยู่ในโลกทิพย์จิตใช้กระแสของวิญญาณของจิตนี้มาเกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆส่งไปที่ใจแล้วใจก็เป็นผู้เสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ที่ร่างกายได้ไปสัมผัสได้ได้ส่งมาให้กับใจอีกทีหนึ่งร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือร่างกายไม่มีความรัรบรู้อะไรทั้งสิน้นร่างกายมีตาแต่ร่างกายไม่แต่ตาไม่รู้ว่ารูปที่เห็นนี้เป็นรูปอะไรร่างกายมีหูแต่ร่างกายไม่รู้ว่าเสียงที่เข้ามาที่หูเป็นเสียงอะไรผู้ที่รู้ก็คือใจใจนี่แหละเป็นผู้ที่ รู้รูปรู้เสียงรูกก้กลิ่นรู้รสต่างๆที่มาทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็ส่งไปที่ใจทีพอใจรับรับรูบ้ก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาเกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาถ้าเป็นรูปที่ชอบก็เป็นเวทนาสุขเวทนาถ้าเป็นรูปที่ไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนาถ้าเป็นรูปที่เป็นกลาง ก็จะไม่มีความสุขไม่มีความทุกขเวทนาแล้วจิตก็จะมาเล่นกับมันถ้าสุ ข, ขเวทนาก็อยากจะให้มีไปเรื่อยๆอยู่ไปนานๆถ้าเป็นทุกขเวทนาก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆแต่ปัญหาก็คือใจไม่สามารถไปสั่งรูปเสียงกลิ่นดให้อยู่นานๆหรือให้ไปเร็วๆได้รูปเสียงกลิ่นลดเขามีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้ เปนตอนนี้เช่นตอนนี้เหตุปัจจัยทําให้อากาศเย็นจะสั่งให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดก็ไม่ได้เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนไม่กี่วันอากาศก็เปลี่ยนไปอีกแล้วเพราะมีเหตุมีปัจจัยทําให้อากาศเปลี่ยนสุขเวทนาที่ได้จากอากาศเย็นนี้ก็จะกลายเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาเมื่ออากาศเป็นอากาศร้อนขึ้นมา ที่ใจดิ่นที่ใจทุกข์อยู่เพราะว่าใจไม่เข้าใจความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสภาวะธรรมทั้งหลายที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆจากสุขไปเป็นทุกข์บ้างจากจากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์บ้างแต่ใจนี้มีความหลงมีความยึดติดอยู่แต่ในความสุขอยากจะให้มีแต่ความสุขเพียงเดียว พอไม่สามารถทำให้มีแต่สุ ข, ขเวทนาได้ใจก็ทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะความอยากอยากให้มีแต่สุ ข, ขเวทนาอยากให้มีแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบไม่อยากจะให้มีลูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ชอบมาสัมผัสแตสภาวะธรรมในโลกนี้ไม่อยู่ภายใต้อานาจของใครเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติไม่มีใครไปสามารถสั่งให้สภาวะธรรมนี้ เป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนี้ได้วิธีที่จะอยู่กับสภาวะธรรมต่างๆในโลกนี้อย่างไม่ทุกข์ได้ก็คือต้องยอมรับความจริงอย่าไปอยากเปลี่ยนสภาวะธรรมอากาศร้อนก็อย่าไปเปลี่ยนให้มันเป็นอากาศเย็นอากาศหนาก็อย่าไปทาให้มันเป็นอากาศไม่หนาวต้องหัดอยู่กับมันให้ได้ร่างกายแก่ก็ต้องอยู่กับมันร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอยู่กับมัน ร่างกายจะตายก็ต้องอยู่กับมันรับมันให้ได้วิธีรับก็คือการฝึกจิตใจทําจิตใจให้นิ่งให้สงบด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆทําบ่อยๆให้ทํามากๆแล้วต่อไปเราจะสามารถควบคุมจิตใจให้วางเฉยได้ให้อยู่กับสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนที่ใจตัวเดียวพอ เห็นใจที่ไม่ดิน้นที่ไม่นิ่งให้มันนิ่งเท่านี้พอใจนิ่งแล้วมันก็จะอยู่กับสิ่งต่างๆได้อยู่กับทุกขเวทนาได้อยู่กับสุ ข, ขเวทนาได้อยู่กับไม่สุขไม่ทุกขเวทนาได้อยู่กับรูปเสียงกยลิ่นรสต่างๆที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อยู่กับร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้นี่คือที่มาของการศึกษาศึกษาวิธีวิธีทําจิตใจ ให้อยู่เฉยๆให้นิ่งให้สงบให้ปล่อยวางด้วยการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้วางเฉยวิปัสสนาก็สอนจิตให้รู้ว่าอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆเขาเป็นของเขาอย่างนี้เขามีสุขมีทุกข์มีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับ เราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากแล้วมันจะทําให้ใจเราทุกข์ถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยเขาไปอยู่กับเขาไปเท่านั้นเองใจก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปนี่ก็คือที่มาของการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเราก็ศึกษาก่อนศึกษาเรื่องปัญหาของใจว่าเรามีความทุกข์กันข้อเห็นได้แล้วก็ศึกษาวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ ด้วยการปฏิบัติวิธีที่ถูกต้องคือควบคุมจิตใจให้นิ่งให้สงบตลอดเวลาบางต้นก็ให้นิ่งให้สงบด้วยสมาธิก่อนเมื่อได้สงบจากสมาธิแล้วพอจิตออกจากสมาธิพอเริ่มไม่นิ่งก็ใช้ปัญญาสอนจิตให้ปล่อยวางให้รับกับสภาพทุกสภาพให้อยู่เฉยเฉยไปอย่าไปเด่นอย่าไปอยากแล้วความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นกับใจ อันนี้ก็คือเรื่องของอ น, นิสงส์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการได้ฟังเทศฟังธรรมในแต่ละครั้งการฟังธรรมนี้สามารถทำได้อยู่เรื่อยๆทำได้ยิ่งมากเท่าไรยิ่งดีในขั้นต้นต้องศึกษาให้มากให้เข้าใจแต่พอเริ่มปฏิบัติแล้วการฟังธรรมก็อาจจะลดน้อยลงไปเพราะเราจะให้กับเวลากับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเวลาใดที่เราไม่เข้าใจหรือสงสัยในการปฏิบัติ เราก็มามาฟังธรรมใหม่หรูอฟังธรรมอย่างน้อย mm hmm. ก็วันละครั้งก็ยังดี mm hmm. ฟังไปเรื่อยๆควบคู่กับการไปปฏิบัติธรรมจะได้เข้าอกเข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องน่าจะได้ไม่หลงทาง mm hmm. นี่คือประโยชน์ของการมาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ mm hmm. เวลาก็พอสมควรแก่เวลาก็ต้องขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ ในลาดับต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันมาฝึกจิตใจมาควบคุมจิตใจให้นิ่งให้สงบเพราะความนิ่งความสงบของจิตใจนี้จะนำความสุขมาให้กับจิตใจความทุกข์ต่างๆจะไม่สามารถเข้ามาในจิตใจที่นิ่งที่สงบได้<ม>การทาให้จิตใจนิ่งให้สงบก็มีสองระดับระดับแรกเรียกว่าเรียกว่าสมาธิระดับที่สองเรียกว่าปัญญา เราต้องทำระดับแรกให้ได้ก่อนถึงเราจะสามารถไปทำระดับที่สองได้เราจึงมักจะต้องมาฝึกสมาธิกันก่อนมานั่งสมาธิทำจิตใจให้นิ่งเช่นในระยะเวลาต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันควบคุมจิตใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้คิดให้วังให้อยู่เฉยให้รู้เฉยๆวิธีการที่จะทำให้จิตนิ่งให้รู้เฉยๆนี้ต้องมีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับ อารมณ์ที่จะกล่อมใจให้นิ่งให้สงบอารมณ์ที่กล่อมใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้ก็มีอยู่ถึงสี่สิบชนิดด้วยกันแต่เวลาที่เราทำนี้เราเลือกเอาเพียงชนิดเดียวเช่นเวลานั่งนี้ถ้าเราใช้พุทโธได้เราก็ใช้พุทโธเป็นกรรมฐานเป็นเป็นอารมณ์ที่กล่อมใจได้หรือถ้าเราดูลมหายใจได้เราก็ใช้การดูลมหายใจ ผูกใจให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวบางท่านอาจจะอยากจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทอย่างนี้ก็ได้หรือจะเอาอย่างเดียวก็ได้จะเอาพุทโทอย่างเดียวก็ได้จะเอาลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ถ้ายังพุทโทไม่ได้ดูลมไม่ได้อาจจะต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์เพื่อทําให้ใจที่ที่คิดมากที่ฟุ้งซ่านนี้ให้มันลดระดับลง ให้มีสติเพื่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้หยุดความคิดต่างๆให้น้อยลงแล้วพอพอมีสติความคิดสงบลงไม่ฟุง้งซ่านก็จะสามารถมาดูลมต่อได้หรือมาบริกรรมพุโทโธต่อได้แต่ก็ต้องอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลาที่นั่งอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นั่งไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เข้ามาก็ดี เป็นแสงเป็นรูปเป็นอะไรที่ปรากฏขึ้นมาก็ดีเรื่อเป็นความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ดีไม่ให้ไปนสนใจให้กลับมาอยู่ที่กรรมาฐานตลอดเวลาอยู่กับพุโทโธถ้าใช้พุโทโธอยู่กับลมถ้าใช้ลมให้อยู่ไปนี้แล้วใจก็จะค่อยๆนิ่งค่อยๆสงบในเวลาที่มันนิ่งสงบเต็มที่มันก็จะเหมือนกับตกลุมตกบอ่อลงไปอาจจะตกแบบแบบพัวภาพก็มีบางทีก็ตกแบบทีละขั้นก็มี แต่เป็นสิ่งที่เราคาดไม่ได้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปจ้องไปจับให้เราจ้องจับอยู่ที่กรรมฐานเพียงอย่างเดียวให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปว่าอะไรจะเกิดก็ไม่สนใจนี่คือวิธีการนั่งธรมารที่พ่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงยอดูเบขาที่จะทาให้ใจวางเฉยได้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง เราจะทําให้ใจมีกําลังที่จะใช้ปัญญามาสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ต่อไปต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันตามเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ25นาทีด้วยกันอ่ตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหม ถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าเวลามานั่งอีกก็ใช้วิธีเดิมได้เลยอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากจะไม่ทำให้มันสงบต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องอย่างวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบ ก, ก็แสดงว่าสติยังมีกำลังไม่มากพอก็ควรจะเจริญสติให้มากระหว่างวัน่อนที่จะมานั่งสมาธิหเจริญพุโทโธไปได้ทั้งวันเลย หรือเฝ้าดูอเรียบทการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเนื่องเรื่องนี้แล้วคราวหน้าเวลานั่งก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวฤทวาหาปุร า, ปาริปุเรนติสขาขลังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปะกปะปติ อิชิตังปทิตังตุงหังคิตเมวาสมมิจตุสัเพปุเรตุสังกปะจันโทปนะราโสยธาเมณนโชติอาราโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพะโรโววินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีติคายุโกภว อาพิวาทานัสิลิตะนิจังวุธาปะจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคำตอบเพราะถ้าเลิกเล้วมาถามจะไม่สะดวกต้องขออาภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุกติจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติสองร้อยสามสิบสองท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์290 YouTube ดร V 38วิทยุออนไลน์13 Clubhouse 1หน้ากุฏิ143รวมทั้งหมด717ท่านค่ะ <c oughs> <c oughs> คําถามจากผู้รับฟังทาง YouTube พระจารย์สุชาติค่ะทุกาศาสนาทุกลัทธิความเชื่อเมื่อทําบาปก็ไปอบาอบายภูมิทั้ง4 คือสัตว์ในราชาญเปรตอสุรกายและวนรลกเหมือนกันใช่หรือไม่ครับพระอาจารย์เหมือนกันไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือไม่ก็ตามถ้าทำบาปก็ต้องไปรับผลบาปคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะจริงหรือเปล่าครับที่ศพตายแบบหน้าผ่องใสจะไปสุขติหรือแบบหน้าดำจะไปทุกขตออิไม่เกี่ยวกับศพหรอกไม่เกี่ยวกับจิตใจ ถ้าจิตใจมีบุญมากกับบาปก็ไปสู่สุขติถ้าบาปมากกว่าบุญก็ต้องไปอบายนั้นคนผิวดำก็ไปอบายหมดเลยนี่ขอคำถามใครอยากจะถามอะไรไหมส่งไว้ไปหน่อย อ่าสิทธาจารบอยเมลายก็ถามได้นะการมัสการพระการค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะกรณีที่ถ้าเรารับปากอะไรครูบาจารย์ไว้แต่เราทําไม่ได้ตลอดนี่มันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเราไปไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาว่าเราตั้งใจจะจะกโกหกหรือเปล่าถ้าไม่มีเจตนาเรื่องเหตุเป็นเหตุสุวิยไส้ก็ไม่บาปอย่างลูกเคยรับปากพระอ า, าจารย์ว่าพยายามจะงดข้าวเย็นแต่ก็ไม่ได้ทุกมือ้อค่ะ ก็ต่อไปก่อนจะรับปากก็แบงแบ่งรับแบ่งสู้ไว้บ้างอะไรค่ะถ้าต้องใส่คำว่าท่าไหมค่ะถ้าพร้อมถ่าสะดวกก็จะรักษาเออบางทีมันก็มันก็เป็นเรื่องของคำพูดอ่ะถ้าไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงมันก็ไม่บาปค่ะแต่ถ้าเราอยากจะมีความระมัดระวังเป็นพิเศษก็ต้อง เขียนคําว่าท่าไว้ก่อนว่าท่าสะดวกถ้าไม่เป็นอะไรถ้าทําได้ก็จะทําไม่ได้ก็ไม่ทํากราบขอบพระคุณแม่จันเจ้าค่ะัเจตมันอยู่ที่เจตนาเป็นหลักมันคือย่างนี้รักษารักษาหน้าตาก็รับปากเข้าไว้ก่อนพอถึงเวลาจริงๆก็ทําไม่ได้อันนี้ก็ไม่ควรถ้ารู้ว่าทําไม่ได้ก็อย่าไปรับปาก ก็เจตนาตั้งใจอยทําอนะค่ะแต่บางครั้งก็กินเละมันเข้ามาแต่ว่ามันวส่วนวิสัยก็แล้วกันค่ะค่ะกราบขอบพระคุณด้วยค่ะมีขาประจํำไหยวันนี้ขาประจำเข้ามากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์เรียกแล้วก็ต้องมางั้นโยมขอถามไว้แล้วกันนะคะ ธาตุรู้ค่ะพระอาจารย์ช่วยขยายธาตุรู้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ธาตุรู้ก็เป็นหนึ่งในธาตุธาตุทั้งหที่ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาธาตุดินน้ําลมไฟนี่ก็ประกอบพวกร่างกายพวกต้นไม้อะไรต่างๆขึ้นมาส่วนธาตุรู้นี้มาร่วมกับธาตุสี่คือร่างกายมาครอบครองร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการ เสืรูปเสียงกลิ่นลดคือธาตุรู้นี่สามารถส่งกระแสมาเกาะที่ตาหูจมกูกเล่นกายของร่างกายได้เพื่อรับรูปเสียงกลิ่นลดที่ตาหูจมกูกเล่นกายไปสัมผัสนร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับรู้นะผู้ที่รับรู้คือธาตุรู้ร่างกายเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยกล้องถ่ายรูปเขาถ่ายรูปแต่เขาไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปอะไรแต่คนที่คนที่รู้ก็คือคนถ่าย แล้วคนที่สุขที่ทุกข์ก็คือคนถ่ายถ้าถ่ายรูปไม่ดีก็ทุกข์ถ้าถ่ายรูปดีก็สุขอ mm hmm. พอรูปเสียงกินรถส่งไปที่ที่ท่านรู้ท่านรู้ก็มาจำได้มหมายรู้ใช้คําสัญญามาทบทวนว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรถ้าเป็นรูปที่เคยชอบก็ชอบก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นรูปที่ไม่ไม่ชอบมันก็จะกลายเป็นทุกข์เวทนาขึ้นมาะ mm hmm. แล้วก็ถ้ารู้ก็มีหน้าที่่าจะปฏิบัติอะไรกับสิ่งที่ชอบแลือไม่ชอบส่วนใความหลงก็บอกว่าถ้าไม่ชอบก็กําจัดมันเสียถ้าชอบก็พยายามเก็บไว้ให้ได้แต่ไม่รู้ความจริงว่า้ะชอบหรือไม่ชอบก็เก็บไม่ได้กาจัดมันไม่ได้ถ้ามันจะอยู่มันก็อยู่ถ้ามันจะไม่ไม่อยู่มันก็ไม่อยู่ถ้าเราไปอยากให้มันอยู่แล้วมันไม่อยู่เราก็ทุกข์ ถ้าเราอยากให้มันไม่อยู่แล้วมันอยู่เรามันก็ทำให้เราทุกข์เราต้องมาแก้ปัญหาคือตัวที่ทะรู้เนี่ยตัวที่ความอยากของท่ารู้อย่าไปเอาแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียว<ม>แล้วอย่าไปรังเกียจสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะเราอยู่ในโลกที่มีทั้งสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบที่เราห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้เข้ามาตามคิวก็เดี๋ยววันนี้คิวดีก็เขา้าสิ่งที่ชอบก็ไหลมาเงินเดือนขึ้นเดี๋ยวคิวไม่ดีตัดเงินเดือน ถูกลออกนี้มันก็ต้องทําใจอย่างนี้คือถ้ารู้ถ้ารู้เป็นผู้ ผ, ผู้ผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เป็นผู้ที่เอาสัญญาจําได้หมายรูน้นี้มาแปลความหมายของรูปต่างๆว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรแล้วก็เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วก็สังขารนี่ค่คิดปรุงแต่งว่าจะทำไงดีกับสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นต้น นี่คือธาตุรู้มีหน้าที่ทาทาทางานเหล่านี้แล้วจะทำยังไงให้ธาตุรู้กลับไปเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ดังเดิมคะก็ต้องบฏิบาติต่างที่พระเจ้าสอนอย่าทานศีลภาวนานแทนที่อยากจะได้ก็เอาไปจากไปอยากได้เงินเยอะๆมีนี้ก็ต้องรู้ว่าเงินมันก็ไม่แน่นอนมันมาได้เดี๋ยวมันก็ไปได้เวลามันไปมันก็จะทาให้เราทุกข์ งันอย่าไปมีมันดีกว่ามีเท่าที่จำเป็นมีน้อยๆเวลามื่ไปมะบจะได้ไม่ทุกข์มากอีกหนึ่งคำถามได้ไหมคะไดออ้อะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราพระอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะใบไม้นี่เป็นของเรา嘛ไม่ค่ะผมนี่เป็นของเราอ่ะ ก็มันยังเป็นอยู่อะเนาะไม่เมืยอย่อไหร่อะ <c oughs> เป็นตอนไหนอะก็ตอนนี้มันยังอยู่ที่หัวเราค่ะอยู่ที่หัวแต่มันไม่ได้เป็นของเราเนื่ถ้ามันล่วงก็เป็นของใครแล <c oughs> โอเคค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ฝนก็ไม่ใช่แดดก็ไม่ใช่ไนก็ไม่ใช่ทั้งสามสิ่งสองอันนี้ไม่ใช่ตัวเราเลย <c oughs> เป็นของธรรมชาติเหมือนเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง <c oughs> ่างกายนี้เป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเราเป็นผู้มาครอบครองมันอีกทีน เราไปหลงคิดว่าเป็นเราของเราเราต้องมาสอนตัวเราใหมายว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าที่มีเกิดแล้วก็มีดับเป็นธรรมดาถ้าเราไปยึดไปติดไปไปครอบครองว่าเป็นของเราไปหลงว่าเป็นของเราเราก็จะทุกข์เวลาที่มันต้องจากออกไปแต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราเราก็เฉยๆไปไปก็ไปอยู่ก็อยู่เหมือนร่างกายคนอื่นเราทุกข์กับเขาไหม ไม่ค่ะน่นหละร่างกายนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ของเราเหมือนกันต้องมองว่าร่างกายเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นแล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับมันนะครับก็เหมือนรถยนต์คันหนะึ่งพอเราซื้อมาปั๊บนี่เป็นของเราเลยทุกข์กับมันทันทีนะแต่ถ้าเรายืมของเขามาใช้นี่ไม่ทุกข์เลยนั่นแหละไอคีดว่าทุกอย่างเป็นของียืมเข้ามาก็แล้วกันร่างกายนี้ก็ยืมมาจากธรรมชาติจากดินน้ำลมไฟ เดนน้ำลงมันก็จะกลับเกินสู่ดินน้ําลงไฟแต่วันอีกหนึ่งคำถามได้ไหมคะอาจารย์แล้วแล้วธาตุนี่มันมีอนณาเขตมีขอบเขตมีรูปร่างมีอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ไม่ไม่เหว่างเนี่ยเหมือนคำว่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันไม่มีมันมันแปลกมากนะคะทําไมมีแต่พระพุทธศาสนาที่ค้นพบาศาสนาอื่นสามารถค้นพบได้ไหมคะถ้าพ้นพบก็เป็นพุทธศาสนาไงก็เป็นพระพุทธจกกเจ้าคนนึง คนที่ค้นพบได้ก็จะเรียกตอนนี้ว่าเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้ า, าค่ะมีใครอยากจะถามไหมมีไห ม, มคำถามใน u t u b e เอ า, เอามีมีท่านเชิญเข้ามาครับครับครับขออนุญาตครับผมอดีตแฟนถาม ครับแฟนถามว่าธาตุรู้กับจิตเดิมแท้นี่อันเดียวกันหรือเปล่ปาครับมผนต่างชื่อมคนเรามีหลายชื่อชื่อเล่นชื่อจริงชื่อทางราชการชื่อทางอะไรต่างๆก็เป็นชื่อแต่ตัวเดียวกันเป็นธาตุรู้เหมือนกันจิตเดิมจิตใจอะไดวงวิญญาณเป็นตัวเดียวกันหมดอยู่ในสถานภาพตอนที่อยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาที่ออกจากร่างกายไปก็เป็นดวงวิญญาณไป เวลานั่งสมาธิเข้าสู่ความสงบก็เรียกว่าจิตเดิมไปอีกอหนึ่งสถานภาพแต่ตัวเดียวเลยครับสาธุครับตอนนี้ไม่ตายไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่มีวันตายมีแต่จะไปเกิดอยู่เรื่อยๆไปไ ม, มีร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องมาทุกกับร่างกายทุกครั้งไปพระเจ้าถึงบอกอย่าไปเกิดดีที่สุดหยุดกิเลสหยุดความโลภความอยากแล้วก็จะได้ไม่ไปเกิดอีกต่อไป อันนี้ทางบ้านไม่มีคำถามเลยนะยังไม่มีคำถามค่ะคำถามจากมีคำถามแล้วค่ะคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะเวลาตายจิตสุดท้ายอยู่ในอารมณ์เศร้าหมองจะไปทางอบายรหรือเปล่าคะ แล้วแต่บุญบาปที่มีสะสมไว้ในใจถ้าบุญมากกว่า บ, บาปมันก็จะไปสวรรค์ไปสุคติถ้าบาปมีมากกว่า บ, บุญมันก็จะไปทุกขติไม่เล้ขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายว่าว่าเป็นอย่างไรเอ็นต้องสะสมบุญให้มากกว่า บ, บาปไว้ถ้าเวลาตายไปจะตายแบบไหนจะตายแบบเศร้าจะตายแบบเสียใจดีใจอะไรมันก็ไม่ไม่เป็นผลต่อการที่จะไปตัวที่เป็น ก็คือบุญหรือบาปที่เราทำว่าอันไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าเปรียบเขาเปรียบเทียบใจเหมือนเหมือนเกวียนเนี่ยดวงวิญญาณเนี่ยเหมือนเกวียนแล้วมีวัวสองตัวตัวหนึ่งลากไปข้างหน้าตัวหนึ่งลากไปข้างหลังถ้าตัวตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันก็ลากไปทางข้างถ้าวัวอยู่ข้างหลังมันมีกําลังมากกว่ามันก็เดินเกวียนไปข้างหลังถ้าวัวที่อยู่ข้างหน้ามีกําลังมากกว่ามันก็เดินเกวียนไปข้างหน้า วิ่งกระบาก็แบบเดียวกันนะเชิญขอการ์ด hmm. ค mm ับอาจารย์ก hmm. oh. mm ็ผมมีปัญหาชอบตกกับเพื่อนที่ไป็ปัตถธรรมด้วยกันนะฮะเขาจะเชื่อว่าจิตเกิดดับเป็นคนละดวงกันก็คือดวงนึงเกิดขึ้นดวงนึงดับไปตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เชื่ออีกว่าเมื่อเข้าสู่นิพพานแล้วเนี่ยจิตจะต้องดับสลายหายไปอะไรเงี้ยเหลือแต่ความว่างอย่างเงี้ยผมก็จะ ก็จะถกกับเขาตลอดว่ามันไม่ใช่ว่าว่าาลูมันไม่มีทางไม่มีเวลาตายอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยไม่ไม่ทราบว่าอันไหนมันของจริงแล้วเขาก็เชื่อว่าจิตคือมีอาณาขันในขันห้านี่ยครับจิตเหมือนหลอดไฟฟ้าเนี่ยมันก็เปิดมันก็ปิดมันก็ติดขึ้นมาแล้วปิดมันก็ดับไปตลอดทายไปว่ะหลอดก็ยังอยู่เหมือนเดิมจิตที่เกิดดับก็คืออารมณ์ในจิตไงเดี๋ยวเศร้าหมาเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวซึมเศร้าอะไรต่างๆ่นี้ มันเกิดดับเกิดดับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ตัวที่ตัวที่ทําให้มันตัวที่อยู่ที่มันอาศัยอยู่มันไม่เกิดดับเกิดดับตัวจิตนี้ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีมันเป็นเหมือนกับหลอดไฟอย่างเงี้ยหรือเหมือนแสงแสงหินห่อยแคนแสงหิงค่อยไหมหินค่อยมันก็มีแสงติดดับติดดับไปแต่ตัวหินห่อยมันไม่ได้ตายไปกับการติดดับของแสงเวลาจิตา่าบริสุทธ์เป็นนิพพานขึ้นมา ก็หมายถึงจิตบอยสุทเช่นหลอดแก้วหลอดไฟฟ้าที่เราใช้อยู่มันเปื้อนอะ่ะมันมีฝุ่นมีอะไรมาเกาะใช่ไหมพอเราเอาผ้าเอาน้ามาเช็ดมันออกไปตัวหลอดไฟหายไปหรือเปล่าไม่อ่านั่นแหละเวลาเราทําจิตใจให้สะอาดบอยสุทให้เป็นนิพพานขึ้นมานี้จิตใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่แบบบัล ม, มัสุขตัวที่ทําให้ใจทุกข์คือกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่าง ให้ถูกกำจัดด้วยการซักพก่อการปฏิบัติศีล ส, สมา ธ, ธิปัญญาเรื่องเหล่านี้อย่าไปเถียงกันให้เสียเวลาเลยเหมือนคนเหมือนคนตาบอดท่าคนมาเถียงกันนะไปได้ยินนิทานคนตาบอดเนะี<ข>่ยคนหนึงไปเจอไอ้คำช้างที่ท้องก็บอกไอ้ช้างนี่มันเหมือนกำแพงเนะี่ยไอ้คนไปจับที่หางก็บอไม่ใช่มนันเชือกไอ้คนไปจับที่งวงก็บอกไม่ใช่มันเป็นงู คนไปจับที่งานก็บอกว่ามันเป็นหอกมันก็ถูกทั้งนั้นแ่ะแต่ไม่ถูก ต, ตามความเป็นจริงของช้างเงี้ยเหมือนกันเขาก็ว่าของเขาเขาถูกก็ปล่อยขอเขาว่าถูกไปอย่าไปเถียงให้เหนื่อยเลยครับเร า, าเรามาเรามาเถียงตัวเราดีกว่าให้ เ, าเราให้เห็นตามที่พระเจ้าทรงสอนให้เห็นดีกว่าครับขอคอยข้อหนึ่งครับอาจารย์ เวลาเรานั่งสมาธิ e ครับแล้วพอนั่งแล้วจิตสงบอย e ่างเงี้ยครับพอสมาธิล้วจิตมันอิ่มเอิบอย่างเงี้ยมันไม่อยากจะเหมือนเราเหมือนเราอิ่มข้าวไว้แล้วไม่อยากนั่งต่ออย่างเงี้ยเราควร ท, ทาทําไงต่อดีครับเอถ้าเรามีอะไรต้องทําก็ทําต่อถ้าเราเป็นนักปฏิบัติทำแเราก็เปลี่ยนมันเดินจงกรมแทนแล้วใช้สติประคับประคองความอิ่มนั่นให้มันอยู่ต่อไปให้นานที่สุดเท่าทย่นานได้แล้วพอมันเริ่มหิวเราก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ปฏิบัติอย่างนี้สลับไปทั้งวันทั้งคืนสาหรับนักปฏิบัติ เป้าหมายก็คือรักษาความอิ่มของใจให้อยู่ปไปนานทั้งในขณะที่เข้าสมาธิและเวลาที่ออกจากสมาธิมาต่อไปถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถรักษาความอิ่มได้ด้วยปัญญาแล้วต่อไปจะอิ่มตลอดเวลาเป็นบรล ม, มสุขตลอดเวลาถูกครับครับกลับเดินถามกรับเดินถามอาจารย์ครับคือคุณแม่เพิ่งเสียไปครับคือเรามีวิธี อ, อุทิศบุญกุศลยังไงให้กับคุณแม่ที่แบบ ให้ได้ผลดีกต็ตามหลักธรรมท่านก็สอนให้ทําบุญทําทานแล้วก็ส่งบุญไปเท่านี้ครับทําได้เท่า น, นี้แหละอยาให้ท่านได้มากก็ทํามากครับอยากได้น้อยทําน้อยก็ส่งไปได้น้อยทํามากก็ส่งไปได้มากก็คือเราแค่นึกถึงท่านบิดบุญกุศลเวลาเราทําบุญทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่นึก ถ, ถึงท่านเราทาบุญ <ผม S 1> แล้วเราเกิดความสุขใจอิ่มใจ ก็ขอทิดความสุขใจมีใจนี้ไปให้กับท่านถ้าท่านรอรับอยู่ท่านก็จะได้รับท่านก็จะได้สุขใจมนใจไปกับเราด้วยครับรับคุณครับคถามสักทางเฟซบุค๊ค่ะคำกล่าวที่ว่าเมื่อเธอเห็นรูปรูปนั้นสักแต่เห็นหมายถึงอะไรคะจะต้องปฏิบัติตามอย่างไรคะก็อย่าไปดีใจเสียใจยกับมัน เขดีใจก็ทุกข์เสียใจก็ทุกข์ถ้าเฉยๆก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็เฉยๆไปเราเห็นรูปที่เราไม่รู้จักเราไม่ทุกข์กับเขาใช่ไหมเฉยๆไปไม่ดีใจไม่เสียใจแต่ถ้าไปเห็นรูปที่เรารู้จักเราเรารักเราชอบมันก็จะดีใจเสียใจขึ้นมาแล้วก็จะทุกข์ขึ้นมาเวลาดีใจก็ทุกข์เพราะอยากจะให้มันดีใจบป <'m S 1> ็นานๆอยากจะให้เขาอย<ๆ>ู่กับเราเป็นนานๆ เราก็ไม่อยู่กับเราไปนานๆก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นถ้าไปเจอรูปที่เราไม่ชอบก็เสียใจอย่ากให้มันหายยิ่งอย่างมันไม่หายยิ่งทําให้เราทุกข์ใจใหญ่ให้ฝึกใจให้มีสติมีสมาธิแล้วใจจะได้รู้เฉยๆได้ไม่ดูเบิกขาเวลาเข้าสมาธินี่เราทําใจให้เฉยแล้วพยายามเอาใจที่เฉยนี้ออกมาใช้เวลาที่เราออกจากสมาธิใหม่ที อะไรก็เฉยใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยทำได้ไหมคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะการอนุโมทนาบุญจะได้บุญเท่าท้งผู้อนุโมทนาและผู้ทำบุญใช่หรือไม่ครับมันคนละอย่างกันนะอนุโมทนาบุญคือมายความยินดี เพื่อสนับสนุนให้เขาได้ทําบุญอย่าไปขัดขวางการทําบุญของเขาเช่นเราเป็นนายจ้างแล้วลูกจ้างเขาขอลาไปงานศพ บ, บ้านที่งานศพพ่อแม่ที่บ้านเราก็อนุมโมทนาเออไปเลยแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่หักเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยสนับสนุนเขาแล้วแต่เราจะอนุมโมทนามากน้อยวันนี้ก็ให้ค่ารถไปด้วยบานทีก็ฝากเงินไปทําบุญด้วยก็ได้เรียกว่าอนุมโมทนาบุญ คือไม่ได้เป็นบุญที่เกิดจากความตั้งใจของเราแต่เป็นบุญที่เกิดขึ้นมาเหมือนไฟบังคับอย่างเงี้ยเมื่อถึงไฟบังคับก็ต้องร่วมกันต้องร่วมอย่าไปขัดขวางการทําบุญของผู้เช่นเจ้านายบางนายจ้างบางบางรายนี้เอาว่าถ้าไปก็ไม่ให้กลับมาเล ย, ยนี่ก็โหดร้ายทารุนเพราะมันงานกุศลของเขาเป็นกาทำเนินมมาเพยนี้เขาจะต้องไปทําบุญให้กับพ่อแม่เขาแต่เราก็ทำบางธุรกิจของเรา ถ้าเสียคนไปแล้วธุรกิจเราจะขาดคนอย่างนี้ขาดรายได้ก็เลยไม่อยากให้เขาไปก็เลยต้องห้ามเขาหรือขู่เขาถ้าไปก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาอย่างนี้ตนต่เรียกว่าไม่อนุโมทนาบุญคถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะการนั่งสมาธิทําไมนั่งสมาธิแล้วเหมือนรู้สึกตัวตลอดเวลาเลยเจ้าคะอ้าวก็มีสเต็ของเขารู้สึกตัวตลอดเวลาสิ อานังสมาธิกาการเจริญสติแต่ให้รู้อยู่กับอารมณ์ตัวส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นรู้กับลมหายใจเพื่อให้ไม่คิดปรุงแต่งให้หยุดคิดปรุงแต่งให้นิ่งให้สงมบมคำถามจากทางเฟซบุกค่ะสืบเนื่องจากวันนี้ที่หลวงพ่อเทศว่าตามันไม่รู้ว่ามันเห็นอะไร หูมันไม่รู้ว่ามันได้ยินอะไรตัวที่รู้คือจิต ว, วิธีทําให้จิตไม่คิดปรุงแต่งเลยเอาจิตมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายจะได้ไม่คิดอย่างอื่นเพราะเปรียบเหมือนกายมันไม่คิดถ้าอยู่กับกายบ่อยๆจิตเลยคิดได้น้อยลงแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเป้าหมายก็คือต้องการให้หยุดความคิดหรือคิดเท่าที่จําเป็นต้องคิดถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องคิดให้รู้เฉยๆไป ได้ยินเสียงมาก็รู้เฉยๆไปเสียงชมก็เฉยๆไปเสียงด่าก็เฉยๆไปคำถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะใสบาตอุทิศบุญให้คนตายมีพบเดียวที่ได้บุญจากการอุทิศคือเบลดราบเบลดมีหลายชนิดเปรดชนิดไหนที่ได้รับผลบุญจากการอุทิศคะไม่ทราบเหมือนกันตอนี้เราไม่ได้ศึกษาอะไรกำลัลงไปอ่านในพระตรปิฎกอยู่เนี่ย คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะจิต ท, ที่บริสุทธิ์จะไม่ไปเกาะขันห้าใดๆอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับคือถ้าถ้ายังเกาะอยู่ก็ไม่ยึดไม่ติดจิตของพระเจ้าก็ยังมีขันห้าอยู่จิตพระอาหารหันตอนที่ยังไม่ตายท่านก็มีขันห้าอยู่แต่ท่านไม่ไปยึดไปติดกับมันร่างกายจะแก่เจ็บตายท่านก็ปล่อยให้มันแก่เจ็ตายไปรักษาไดก็รักษาไปแต่จะไม่ทุกข์กับมันรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางร่างกายก็รับรู้เฉยๆไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะนั่งสมาธิแล้วเห็นตัวเรายืนดูเห็นตัวเรายืน ด, น, ายนดูเรานั่งสมาธิมีกรอบแก้วครอบตัวอยู่หมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าไม่มีสติอยู่กับกรรมฐานนั <c oughs> ่นเองต้องกลับมาอยู่ที่พุโทโธพุโทโธอย่าไปสนใจว่ามีอะไรปรากฏขึ้นมามันจะทําให้เราเข้าสมาธิไม่ได้ให้อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมถ้าเราใช้กรรมฐานนันใดก็อยู่กับกรรมฐานนั้นนั้น เวลาอะไรบางคนอย่าไปสนใจมันเป็นการความคิดปรุงแต่งแะ้อพคิดปรุงแต่งมันก็ไม่มีทางที่จะสงบได้อยากจะรู้ขึ้นมาเนี่ยเริ่มใช้ความคิดแล้วท่านที่จะหยุดคิดกลับมาตั้งคิดอีกคำถามจากทางเฟซบุกค่ะเทศกาลที่เมืองไทยนิยมการทอดกระถิ่นผ้าป่าเป็นแนวทางมาจากพุทธการไหมเจ้าคะมามาจากพุทธการทั้งหมดเลยัง เราจะได้สรุปกันยังไม่มีคำถามใหม่ <Okay. S 2> ค่ะโอเคก็พอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ <c oughs>